มัจที่จะอธิบายต่อแบบนี้พูดถึงเรื่องอริยมัจมัจคามัดคาท่านอธิบายว่าหนทางมัจทางนี่เป็นทางของพระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้ว ถึงจุดปายุดหมายปลายทางคือที่ประสงค์ท่านแล้วท่านจึงได้เทศสั่งสอนพวกพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์อย่างท่านมากมีแปดตามอาการมีถึงแปดอย่างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจา วาจาชอบสมาวยามะไอสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมโตสม า, สมาชีโบ ก, การงานชอบชีวิตชอบความเป็นอยู่ชอบสมาสติแลเลือกชอบสมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ <S 2> <S 2> ถ้าพูดถึงเรื่องมรรคคล้ายๆกันว่าเป็นการเดินแต่ว่าการเดินทางอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่เดินด้วยเท้า รถด่วยยดยนยุ่งยานสาหาะต่างๆท่านแสดงมรรคขวิถีคือดำเนินด้วยจิตคำว่าดำเนินในที่คนเราส่งใจไปแล้วละครั้งคล้าว่าจะดำเนินไปโดยลำดับจนถึงมรรคนิพานเป็นชั้นเป็นภูมิไปจะมีอาการก้าวเดินไปควาไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่เดินไปนาไม่ใช่เถอถอยหลังถ้าเป็นอริยมรรคแล้วอยู่คงที่ไม่ได้เดินไปนาเก้าหลังอยู่คงที่เลยมรรคอันนี้เป็นมรรคภายในเดินโดยใจคือว่าเข้าไปถึงใจแล้วใจสงบเสียก่อนจึงจะเกิดสมาธิ ท่นยกสมาธิขึ้นเป็นเบื้อต้นถ้าจะพูดตามหลักความจริงแล้วถ้าหากไม่มีสมาสมาธิหรือสมาสมาสติแล้วสติชอบสมาตั้งใจชอบแล้วสมาสมาธิก็จะไม่เกิดสมาสมาธิคือความเห็นชอบจิตคนเราตกลงท่าวันไหวและไม่เห็นชอบสักที จิตของเราถ้าไม่กรงแนวแน่เป็นสมาธิหรือสม า, ส, ม า, ส, มาสติรละลึกในที่ชอบแล้วไม่มีวันจะเห็นของจริงไม่เป็นสมาสธิเลยเช่นคนเราเกิดขึ้นมานะ่ะเกิดแก่เจ็บตายเห็นเดีวยวกันทั้งนั้นทั้งตนเองก็มีอยู่กรมแก่กรมจิตกรตายทั้งคนอื่นก็เห็นอยู่ทุกทั้งหลายมีอยู่ในร่างกายของตนในคนอื่น แต่ทำไมไมันไม่เบื่อหน่ายทำไมมันจึงไม่เบื่อไม่น่ายทำไมมันจึงไม่ส ล, สลัดสละสละก่อทำไมจึงทิ้งไม่ได้อันนั้นก็เนื่องจากสมาสมาธิไม่มีทำไมสมาสมาธิจึงไม่มีก็เพราะสมาสติสมาสมาธิไม่มีถ้าหากคนไหนผู้ใดมาตั้งใจอบรมสมาสมาธิคือปล่อยวาง อารมณ์ไม่จิตวันไหวส่งไปตามอารมณ์ต่างๆจิตแน่วแน่ตั้งมัน่นไม่วันไหวต่ออารมณ์ต่างๆแล้วสมาสมาธิจึงจะเกิดสมาสติสมาธิจะเกิดความที่จิตตั้งมั่นเท่านั้นทำให้ปัญญาสว่างแจ่มจ้าขึ้นมาเลย ถ้าเราเจ้าพรมาเปรียบเหมือนกระแสงไฟหรือแสงเทียนถ้ายังมีลมพัดวันไหวอยู่แล้วแสงจะรีลงไปบางทีอาจจะดับเลยก็ได้ถ้าหากลมไม่พัดแสงไฟตั้งกลงแสงเทียนก็ช่างแสงอะไรก็ตามแสงสว่างจะจ้าออกเต็มที่ จิตคนเราถ้าหากวันไหวต้องอารมณ์แล้วจะไม่มีสมาสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันความเห็นชอบไม่เกิดเด็ดขาดเหตุ น, นั้นเบืองต้นท่านอยากให้อบรมสมาสมาธิคือจิตให้ตั้งมัน่นเนียวเนี่ยเท่ ก, ก่อนจึงว่าสมาสมาธินั่นเป็นหลักใหญ่ในการที่จะให้เกิดความเห็นชอบถ้าหากว่าได้ สมาสมาธิคือความเห็นชอพไอสมาสมาธิไอสมาสมาธิคือความตั้งใจหมั่นแล้วมาเพ่งพิจารณาดูเถึงข่านี้ในอัตภาพร่างกายของตนและคนอื่นว่าเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์หรือความวุ่นวี่วุนวายทั้งหลายเป็นทุกข์จะเห็นชาติขึ้นมาทีเดียวเราเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจริง นอกจากนั้นอีกยังจะเห็นชัดตลงไปแล้วเป็นเหตุให้สังเวชสลดใจในตนเองว่าตนละหลงและมัวเมาในกองทุกข์มานมนานโดยที่ไม่รู้จักว่าเป็นทุกข์เพลินมัวเมา อ, อ, อยู่กับทุกข์แท้ๆเข้าใจผิดว่าทุกข์เป็นสุขนี่ที่มันไม่เป็นสมาธิทิฏฐิให้ ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิคือตั้งใจฝันแล้วจิตไม่หวันไหวดังอธิบายมานั้นจะเกิดความรู้ชัดเคลือนมาทีเดียวคือตัวสมาธิทิฏฐิตท่นั้นเมออเป็นทุกข์จริงๆเกิดขึ้นมาในมโรคอันนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายสลดสังเวทในตนของตนว่าตนหลงหมเมาในกองทุกข์มโนนแล้วนี่เรียกว่าสมาธิิฐิ ไม่ได้เดินไปอื่นไกลหรอกเข้าถึงจิตตรงนั้นหละ่ะตรงจิตเป็นสม า, สมาธิเนี่ยไม่ได้เดินไปไหนค้าวมามักแปดนั่นตรงนี้หละ่ะเดินเข้าถึงจิตตรงสม า, สมาธินี่แหละคือจิตตั้งมั่นนี่แหละเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วคันนี้ความเห็นชอบเคลื่อนสมาธิทีเขาเกิดขึ้นในทีนั้นคันนี้เมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วคันนี้ง่ายความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสบาย สัมมาสังกปะดํำดีชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาชีวความเป็นอยู่ชอบสมาสติระลึกชอบสมาสมาธิกระวนมาของเก่าอันอีกอ่ะชอบหมดพอสัมาสมาธิไอ้สมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมู้นั้นเป็นบริวารวิ่งตามกันหมดอันเดียวกันหมดชอบด้วยกันหมดนี่ยจะอธิบายให้ฟังโดยลาดับ เมื่อสมาธิถี่คือความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วตกลงว่าได้เห็นชอบเป็นจริงตามไม่จริงอย่างนั้นแล้วว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วใครจะสามารถมกมุลและใครจะไปหลงหมัวเมาในเรื่องทุกข์ต่างคนก็จะมาแต่ดำริคิดตริตองที่จะออกจากทุกข์ด้วยวิธีต่างๆถ้าจะพูดอย่างหยาบ เห็นทุกข์เพราะมีอันอยู่บนกินแล้วก็พยายามที่จะปราบโรคที่จะธรรมาหากิจเรียกว่าดํริชอบสมาสังกปะดำริชอบคือมันชอบในการที่ว่าจะทําตนนั้นต น, ต น, นพน้นจากทุกข์ทันทีในทางธรรมที่ท่านลาดับไว้ดํริในการที่จะออกจากคามคุณหั ดำรีในการที่จะไม่พยาบามอาฆาตจองเวรหลายเรื่องใน่ชักทั้งนั้นเรื่องชักทั้งนั้นไม่ได้ดำรีที่จะไปอาฆาตพยาบาทคนอื่นและไม่ดํารีในการที่จะไปฆ่าฟันรันแทงคนนั้นคนนี้เพราะเห็นชอบปัญญามันมีอยู่แล้วปัญญาทั้งชอบมีเยอะมีที่ที่แต่จะ พยายามทําทคุณงามของดีเพื่อให้คนจากความชั่วสมาเชงกระป๋อไม่ได้เดินไปที่ไหนความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วก็ดําลิที่จะหนีจากความชั่วบาปกรรมหรือทุกทโทษทั้งหลายเัล่นั้นก็เลยเป็นดํำลิชอบขึ้นมาตรงนั้นละ่ะตั้งหลักตรงตรงนั้นแหะกระป๋ากดกันตรงนั้นอ่ะดําลิชอบกระป๋ากดที่นั้นน่นะมีขึ้นมาในที่นั้นน่ะ ท่านเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วกวับปัญญาเคยดำรีชอบก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีสัมมาวาจาอะครต่อนี้วาจาชอบไม่ใช่จะไปพูดไม่พูดก็ใครพูดในทางที่ไม่เท็จไม่โกหกัะไรเงี้ยไปห้ามไม่ได้ไปพูดที่ไหนหรอกท่านพูดสำไม มรแปดนั้นพูดถึงเรื่องเวลานั่งสมาธิภาวนาจิตที่มันเข้าถึงสมาธิภาวนาเกิดปัญญาในขณะนั้นถ้าไม่ได้พูดออกไปข้างนอกไม่ได้ไปหาพูดจากับใครความดำรีความวิตตกเป็นเหตุให้เกิดวาจาเห็นนันความดำรีและความวิตตกนั้นท่านเรียกวาา่าวาจาวาจีวาจีเพ็ อันความด้่มรีหรือความมิตกแส่ใ ส, ส่ายหาหนทางที่จะออกมันมันเป็นวาจาแล้วนะจาชอบแล้วนะไม่ใช่แส่สายหาในทางที่จะเข้าไปยึดอันนั้นเป็นมิจฉาวาจาสสวนสมาวาจา น, นแ ส, ส่สายสายหาหนทางที่จะหนีจากนั้นคิดนึกตรึกตอง วิตกวิจายัยแสวงหาหนทางอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นวาจาชอบครนี้การงานก็ไม่ได้ทาอะไรอีกละนั่งรับตาเพ่อานายไปทํางานอะไรมักแปดเป็นกิจของสมาธิมักแปดเป็นกิจ ข, ของใจเป็นการงานของใจไม่ใช่การงานทางกายทางวาจาเมื่อวาจาก็ไม่พูดทั้งกายก็ไม่ทํางานอะไรหรอก กายน่ะจะไปทำอะไรอีกตาก็หลับขาก็นั่งคัดสมาธิมือก็ประสานกันแล้วจะมีงานอะไรอีกสมากมันตะคือการ ง, งานที่ชอบจิตทั้งหลายแลที่ทำมาความพยายามความตริกตรอง ในทางที่จะหาช่องหาหนีหาทางหนีจะทุกข์นันเรียกว่าด้า น, นเรียกว่าการงานการงานของจิตความรู้ความเข้าใจความฉลาดเฉียบแหลมรู้ตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นการงานของจิตคือสมาธิหรือต่อไปในข้างหนาเช่นการพญยานยามใ เ, เช่นการใน มีสติชอบก่าดีตั้งจิตชอบก่าดีอันนั้นก็เป็นการงานของจิตนั่นกันพอเมื่อเราไม่มีงา น, นางภายในงาภายนอกมีแต่งานภายในเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกเป็นไปเพื่อสลัดชละความชั่วและคดยกงกิเลสบาปธรรม ท, ทั้ ง, งหมดนั่นเรียกว่าการงานชอบ การงานก็นชอบดัมลิก็ชอบไว้ใาก็ชอบเรียกกันเป็นผู้ไม่ผูก ม, มาดความเป็นอยู่ของผู้นั้นแม้จะครู่หนึ่งขณะเดียวก็ตามเรียกว่าความเป็นอยู่เฉพาะชีวิตความเป็นอยู่เฉพาะธมาชีววเรียกว่าชีวิตเฉพาะทีอธิบายกันว่าธรรมะค้าขายโดยสุจริตไม่คิด พัทยยออะไรต่างๆอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> อันนั้นไม่ใช่สมาชีโบของมรแปดสมาชีวะในตอนนั้นเป็นสมาชีวะทั่วๆไปส่วนสมาชีวะมรแปดคือเป็นอย่างนี้เองมีความเป็นอยู่ชอบอย่างอธิบายมา น, นี่เอ ง, องนี่ไม่ยกว่าสมาชีโบ สัมมาวายาโมก็การเพียรมาิตต้นพญย า, ยามาเตต้นทุกสิ่งทุกประการที่ต้องการอยากจะละความชั่วประกอบไปคุณงามความดีเพื่อให้พ้นจากทุกมันเป็นความเพียร น, นั้นถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนขรเจาเป็นความเพียรชอบแล้วสัมมาสติการรื้อ ไม่ได้เลือกออกนอกรูนอ ก, ก, นอกทางเลือกตามแนวที่ปฏิบัติมานะั้นที่ดําเนินมานะั้นตั้งแต่ต้นมานะ่สติตัวนั้นนะ่ะตามเลือกได้อยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราถูกเราผิดจิตของเราตั้งอยู่ขณะอยู่โดยอากาศยังไงพิจารณาอะไรอยุดมันก็เป็นเรื่องสมาสติสติตั้งมันไในที่เฉาะจิทฐานว่าไปทั้งเรื่องเสร็จ ตั้งอยู่ในสติปัฏฐานสีมันก็ถูกแล้วนี่กายยาเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมันก็ถูกแล้วนี่พิจารณากายกับพิจารณาทุกอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นพิจารณาเวทนากับพิจารณาทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่สเสวยสุขทุกข์เ็อย่างอธิบายมาแล้วนั้นพิจารณาจิตก็ไม่เห็นจิตอยู่ทุกขณะอย่างความเพียรที่เราพิจารณาอยู่นั้นว่าจิตของเราเป็นอะไรตัวยังไงอะไรติดของผูกพันอยู่กับอะไร ละอะไรถอนอะไรอ น, นั่นเรียกว่าถูกต้องแล้วสติปัฏฐานแล้วนะยิตธรรมที่เราพิจารณามาทั้งหมดที่เราดำเนินมาทั้งหมดหน่ะเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ใช่ของใครใครจะไปยึดไปเถือเป็นของตัวของตัวไม่ได้ธรรมทั้งหลายแล้วนี้หากเป็นอยู่งั้นมีูใดไปไปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนั้นรู้ให้เห็นอย่งงั้นแต<ม>่ว่าใครจะไปเป็นเจ้าของไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้ ยิ่งก็ไม่นี้เอาเป็นของตนก็ไม่ได้มันเป็นธรรมอหนึ่งถ้าใครเข้าไปถึงตนั้นไปเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมเราสมมติเรียกว่าถึงธรรมเห็นธรรมได้ธรรมได้ยิงเปล่าไม่ได้อะไรเนาะ <S 2> <S 2> เพียงแต่ไปรู้ <S <S เพียงแต่ไปเห็น <S <S ว่าธรรมอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นแล้วจะเอามาเป็นของตนไม่ได้ถ้าเอามาเป็นของตนมันมันมันไม่ไมเปิดธรรมแตแล้วมันกลายเป็นโลกแต่แล้ว สิ่งในทั้งพวงหมดท่ามาเป็นตนแล้วว่าเอาไปเปกูเป็นเราเป็นเข า, าจะแล้วไม่ใช่ทำเลยทำก็เป็นอาธรรมทำที่ไม่ดีทำแท้ทำจริงทำบริสุทธิ์ไม่มีกูไม่มีเราไม่เขาเราไม่เขาไปยึดออกมาเป็นของกูแล้วของเราของเขาถือเป็นสภาพอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นธรรมนั่นก็ไปเรียกว่าทำมาแล้วะ ก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนี่สตินั้นมีอย่างนี้เรียกว่าสติชอบเมื่อสติชอบสมาสมาธิก็อธิบายอยในเบื้องต้นถ้าสมาสมาธิมาเป็นสมาสมาธิไดแล้วสมาธิทิกก็ไม่เกิดดังอธิบายไว้ในเบื้องต้นเบื้องต้นกับเบื้องปลายประมวลเข้ามาหากัน คันนี้ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายและทัากลางรวมเข้ามาอยู่ที่จิตอันเดียวจิตเป็นผู้ดำเนินคนเดียวท่านแสดงว่ามรรคมีอันเดียวก็คือมันอันเดียวอย่างนี้เองมรรคมามีทั้งสองทั้งสามอันเดียวแต่นั้นอันนี้ว่าทั้งเรื่องอาการคนเรานะ่ะตาหูจมูกเลี้ยกายไล่ไปเถอะ จะไล่ทังแปดงเก้าก็เอาไล่ยอยู่คนเดียวนี่แหละในคู่คู่เดียวนี่แหละมัดแปดกับฉันนั้นเหมือนกันจะไล่าอาการของมัดมันเกจะมีที่แปดแต่ว่ารวมอยู่อันเดียวจึงเรียกว่ามักมีอันเดียวมักแปดมีอันเดียวถ้าใครยังไปไล่มักแปดเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามอยู่แล้วแล้วท่านั้นไมถึงมักทัศนี่ ถ้าไม่เห็นมรรคเป็นอันเดียวเมื่อไหรแล้วนั่นแหละอย่างนี้ถึงมรรคแปดถ้าหากเป็นมกกรรคกสัมมังคีกับมรรคอันเดียวต่างหากอันนี้น pode, คนเรื่องกันนะถ้าหากเป็นมรรคกสมมังคีแล้วพิจารณามรรคทั้งแปดนี่แหละคือสินสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องศินกับเป็นสมาธิพูดทั้งเรื่องสมาธิก็เป็นจิตพูดถึงเรื่องสินสมาธิกับเป็นปัญญาพูดถึงปัญญาก็เป็นสินสมาธิปัญญาเออเป็นสินสมาธิ อันนี้ก็อีกอะมีน้ำมีคุณค่าเท่ากันแต่น้ำหนักต่างกันทั้งแปดนั่นนะมีน้ำหนักต่างกันแต่คุณค่านั้นเท่ากันขายได้ราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นมัดแปดถ้าหากรวมเป็นอันหนึง่งคือวอาว่าอะไรก็ถูกมดในที่เดียวอยู่ในที่เดียวเห็นชัดในที่เดียวแล้วก็เลยหายสงสัย ในเรื่องธรรมทั้งหลายไม่มีกังขาวิจิคิจฉาไรต่อไปอีกพูดไหนมาถูกนั้นหมดธรรมทั้งหลายแปดหมื่นสีพันวันวขันหรือโพธิปัจเ จ, จ้าธรรมสามสิบเจ็ดจะพูดตรงไหนมาลงนั้นหมดเมียนเดียวหมดอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นมิใช่ไปอยู่โดยการที่ไม่คิดเจนไม่พิ จ, รจรนารณาเลยมีอีกอย่างหนึ่งเลยอยู่โดยการที่ไม่พิจรนารณาคือจิตที่มันสงบ เป็นอารมณ์เ อ, เอกคตาแล้วคิดอะไรไม่ออกโดยอนุมานนะว่าอยู่นี่หมดอันนั่นก็ยังไม่ถูกจิตที่มีอารมณ์เดียวที่เรียกว่าเอกตาคือไม่คิดหน้าคิดหลังคิดไม่ออกว่าอยู่อันเดียวอันนั่นก็นยังไม่ถูกถ้าเป็นมัทธัมังคีงจริงจิตใจปลอดโปร่งคือตัวปัญญาสว่างแจ่มจ้าเกิดเกิดในที่นั้นชัดเจนในที่นั้น พิจารณาเลยมันชัดลงแห่งเดียวอยู่ในทีเดียวหมดจึงจะเป็น ม, มัคคัศ ม, มันคีมัคคัศมันคีในเป็นองค์อริยมรตัดกิเลสประหารกิเลสตามภูมิชั้นนั้นๆเช่นโซดาตกิตากาณค่ะก็ต้องใช่ ม, มัคคัศมันคีอันนี้ประหารกิเลสในมรรคมันภูมนนินั้นๆนเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องมถถัคแตกให้มันครบบริบูรณ์ ในอริยสัจจะธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากวันนี้เป็นการสุดท้ายคือการมักแปดให้พากันเข้าใจและพิจารณาโดยในนี้ถ้าหากว่ายังทาไม่ได้หรือพิจารณาไม่ถึงก็จะพากันทอดทิ้งถึงเรื่องทมสมาสมาธิให้มันลงเสียก่อนอันนั้นเป็นพื้นฐานพื้นฐาน คุ้มฐานเนี่ยไว้ท่านมีไม่สามารถที่จะรับธรรมคือมัดแปดนี้ได้ถึงมัดแปดมีก็ไม่สามารถที่รับรองไว้ได้เมื่อไม่มีที่รับรองเมื่อก็ไม่ปรากฏเห็นไม่ขึ้นมาในที่นั้นเพราะฉะนั้นถึ ง, ย, งยังไม่เห็นก็อย่าไปทอดทิ้งฮัดอบรมสมาธิิในสมาสมาธิให้ามันหนักแน่นไว้ก่อนอย่าไปเถืยอเถยานดิน้นโลนอยากอยากเห็นโน่นเห็นนี่แหละยิ่งไปกันใหญ่ความอยากนั้นเป็นเหตุ ธรรมะท่านละให้ละความอยากธรรมะไม่ใช่ของเอาธรรมะเป็นของสละถ้าช้าสมนั้นไม่ใช่ธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นอาธรรมที่เรียกว่าธรรมนั่นแหะจะเป็นอาธรรมเอาอาพื้นฐานไม่ใช่ธรรมดีทรรมไม่ดีคำ ว, ว่าอาธรรมในที่นี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องพาตนเอสนใจและตั้งใจปฏิบัติตอนนั้นก็สามารถที่จะให้ได้ไดรับผลประโยชน์ เกิดจากการพิจารณาโดยในที่อธิบายมาด้วยปริกาอย่างนี้ท่านสงบก็ให้ระลึกออกความเ่องบเป็นยังไงคือความสงบยือกเย็นไม่คิดนึกสงสัยภายในที่ต่างๆสงบเยือกเย็นทุกสิ่งทุกการอยู่ในอารมณ์เดียวไม่คิดอย่างนั้น ทำให้ไหนใจมารู้สงบให้อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเอาน้นะ่ะพ <c oughs> ูดที่สงบแล้วไม่ต้องอยากพอคิดถึงความสงบนห้ก็เข้าถึงความสงบเลยทีเดียวให้เราลึกถึงตรงนั้น เข้ามาลึกลึกถึงในที่นี้นั้นไม่ใช่แล้วลึกถึงของท่านแล้วลึกถึงของเราเนี่ยความสงบของเราเนี่ยไม่ต้องเราลึกถึงของค น, อ, งคนอื่นภายในพาชนะไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราความสงบก็อยู่ในตัวของเราสงบในที่ใดภายในผันที่นั้น <c oughs> ในนิดในหน่อยจะเรียกว่าคณิพานเชลียดเฉียยนิดๆใน ห, หน่อยเป็นยังดีทำความสงบเข้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วจิตมันจะนิ่งแนวอยู่ในที่เดียวให้อยู่นานๆขนงอ๊บุกสงบกันเลยให้อยู่ได้นานแสนนานดลมันหากจะมีอุบาย หากเป็นมีเงียบายขึ้นมาในตัวนั่นแหละมันสงบมีสติอยู่ต้องรู้ต้องเห็นสิ่งต่างไม่ใช่แต่ว่านอนหลับสงบแล้วมันหลับหายไปแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นเหนมปรากฏเห็นนอนเห็นอะไรต่าง <c oughs> ท่าก็สงบมีสติอยู่รู้ตัวอยู่มันไม่เปลี่ยนไปงั้นแต่มันเห็นนะสิ่งที่มันสงบตรน้สงบตรงนี้แหละจิตมันยังออกเป็นของอยากยากที่จะรักษาไว้ได้เผลอนิดเดียวก็ไปแล้วสงบลงไป เลยรับหายเงียบมันได้เลยไปอย่างนี้มั น, งงนสงบที่มีสติรู้ตัวรู้เรื่องอย่านี้รู้สิ่งตา่างๆอันนี้มันได้ความรู้คือมาจากมันหากเกิดความรู้อะไรต่างขึ้นมาในที่นั้นชัดเจนขึ้นมาที่มนมสติการเลึกถึง อุปัสมาอุตสิในระลึกถึงความสงบเอาง่ายๆที่เนี่ยไม่ต้องออกมากมายคิดเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่อธิบายมาถึงเรื่องธาตุสติธรมารติสังขารสติไปมากมามาตอนนี้อธิบายข้อสุดท้ายเข้าเข้าถึงขวามสงบเลย พุทธาสติธรรมสีิสังขารสติเอาระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันยังไาวสงบเีลาจะขาสติแรงตันมาทั้งเก้าข้อหมายความว่าเราทำนั้นสติมาโดยลำดับๆเรียกว่าชํานาญพอต้องขวดอแล้วเหตนนั้นตอนนี้ท่านเดยกให้ทะลึกออกความสงบมันเลยทีเดียว อนติคือความสม <c oughs> างบี้าหากว่าฟังมาทั้งหลายแล้วนั่นทำมาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ความสงบมันก็เหลือวิสัยที่จะพูดให้ฟังว่าอุปสมาสติคืออะไรฉะนั้นนีว่าขอให้อนุมานเอา คือความสงบไม่มีอะไรแล้วแหละเยียกเย็นเจ็บุกอย่างนี้ให้สงบให้ให้ลึกไปตรงนั้นนะแล้วก็จะเหมือนเหมือนกันก็จะเข้าถึงความสงบเหมือนกันล้ า, าั้น